Mm ¶¶ -hmm.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 การลืมให้ร่างกายของเรานี่นะโดยว่ามือนี่มันมีปัญหากันบ่อยๆนะวางไม่เป็นที่ท่านตรงข้ากับใจเรานะไอ้ใจเรานี่มันเไม่ปัญหาอยู่ที่การวางนะปัญหาวิธีการยึดการจับการเฉวยเฉวยแต่พึตพือใครพูดอะไรไปใจก็ใจก็ไปจับมา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 ามาหาที่นั่งได้ในหอตไตรระหว่างที่ทำวัสดมนพอทําวัดใส่สนมบัติเกิดเข้าห้องน้ำทำวัสดมนเส่ก็เข้าห้องน้ําขึ้นมาเอามีคนมาจับจองหรือมันนั่งซะแล้วก็ไม่พอใจหาว่ามาย่ยงที่นั่งของฉันไปใจนี่มันยึดตะพึดตะพื้นทั้งที่มันก็ไม่ใช่เป็นที่ของเราสักหน่อย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 จิตใจมันรุ่มร้อนมันคิดถึงแต่อดีตสามีเนี่ยนะที่หักหลังหลอกลวงนอกใจครับแค้นใจมากโกรธมากไอ้ที่คิดว่าทำใจได้จริงไม่ได้เลยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยก่อนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยที่มันไม่มีปัญหานี้รบกวนคงเพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องทำมากมาย